จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่16กันยายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมวนะัฒนาวันที่พระอา ร, รมณาสดา พระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณประเสริฐผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งต่างๆที่ปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเรามองไม่เห็นทรงได้บัญญัติให้มีวันพระขึ้นเดือนลัสี่ครั้งด้วยกัน แบ่งกันเป็นช่วงละเจ็ดวันบ้างแปดวันบ้างเพื่อให้พุทธบอยศาสตรทุชนผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาความสุขความเจริญร่่มเรืองของจิตใจได้มีเวลามาทำภารกิจทางจิตใจที่เป็นภารกิจที่สำคัญ กว่าภารกิจต่างๆทั้งหลายในรอกนี้เพราะว่าภารกิจทางจิตใจนี้เป็นภารกิจที่ถาวรส่วนภารกิจทางโลกเป็นภารกิจชั่วคราวพอร่างกายหมดสภาพไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำไว้ก็จะหมดสภาพตามไปด้วย ยกเว้นภารกิจทางใจผลที่ได้รับจากภารกิจทางใจจะติดไปกับใจภารกิจทางใจนี่แหละจะเป็นผู้ชี้อนาคตของจิตใจที่หลังจากร่างกายได้ดับสลายไปแล้วว่าจะไปสูงหรือไปต่ำไปดีหรือไม่ดีพระพุทธเจ้าส่งค้นพบจิตใจ ของพ่อองเองทรงเห็นว่าจิตใจนี่ล่ละเป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปใหม่จึงได้นำเอาความรู้อันนี้มาแจกจ่ายมาแบ่งปันมาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้ทำสิ่งที่ ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราที่จะทำให้อนาคตของเราดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงขีดสูงสุด ข, ขีดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้ ใจของทุกคนนี้มีศีล ท, ที่จะไปถึงพระนิพพานได้ด้วยการทุกคนอยู่ที่ว่าจะขวนขวายจะตะเกียกตะกายหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีความขวนขวายมีความเพียนมีความตะเกียกตะกายที่จะดำเนินตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดาเนิน นามที่พระ อ, อาหลานตะสาวกทั้งหลายได้ดำเนิน <_' com> ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันกันกบที่พุทธเจ้า <_' com> และพระ อ, อาหลานตะสาวกทั้งหลายได้ไปถึง <_' com> เพราะจิตใจไม่ว่าจะเป็นของพรอพุทธเจ้าก็ดีของพระ อ, อาหลานก็ดีของปุถุชนธรรมดาก็ดี <_' com> เป็นจิตใจเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบ เหมือนกับรถยนต์รถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานโรงงานเดียวกันรุ่นเดียวกันก็มีสมรรถภาพเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่คนขับเท่านั้นว่าขับเป็นหรือขับไม่เป็นขับแล้วรู้ทางไปหรือเปล่าไปผิดทางไปถูกทางแล้วมีปัญญาที่จะคอยเติมน้ำมันให้กับรถยนต์อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเท่านั้นเอง ถ้ารู้ทางถ้ามีปัญญาที่จะหาน้ำมันมาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วมีความขยันมีความอุตสาหะภาคเพียนที่จะขับรถยนต์ให้พาไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะไปถึงได้เพราะรถยนต์เขาผลิตมาดีแล้วรับประกันจากโรงงานมาแล้วอยู่ที่คนขับรถเทนั้นว่าจะขับได้หรือเปล่า จะขับรถคันนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่ชอบได้หรือเปล่าทอนนั้นนั่นนะนี่คือใจของพวกเราเหมือนกับรถยนต์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานเหมือนกันหมดของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ของพวกเราก็เป็นใจรุ่นเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าเราคนขับนี้จะขับไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง หรือไม่ก็ตามเท่านั้นอยู่ที่เราอยู่ที่เรารู้ว่าเรารู้จักทางหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเรามีปัญญาที่จะคอยเติมน้ำ ม, มันอยู่เรื่อยๆหรือเปล่า อ, อยู่ที่ว่าเราจะมีความขยันขับไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเรามีความขยันคอยเติมน้ำ ม, มันอยู่เรื่อยๆคอยศึกษาทิศทางแผนที่อยู่เรื่อยๆ เดี๋ยวก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เอพระพุทธเจ้าท่านก็ดำเนินการแบบนี้พระพุทธเจ้าพระาอาหันตสาวกท่านก็มันเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆท่านก็คอยดูแผนที่คอยศึกษาลู่ทางอยู่เรื่อยๆแล้วท่านก็พยายามขับไปเรื่อยๆพอขับไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเองถ้าไม่มีน้ำมัน ก็ขับไปไม่ได้ถ้าไม่มีแผนที่ก็ขับไปหลงทางได้ไปไม่ถูกทางถ้ามีน้ํามันมีแผนที่แต่ขี้เกียจขับขอจอดอยู่ข้างทางนอนอย่างนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นพวกเราขอให้เราทราบไว้เถิดว่าเราไม่ได้ต่างจากพรอพุทธเจ้าไม่ได้ต่างจากพระอารหันต์เลยในเรื่องของจิตใจ เหมือนกันถ้าเป็นรถยนต์ก็รุ่นเดียวกันออกมาจากโรงงานอันเดียวกันอยู่ที่คนขับเท่านั้นแหละว่าจะขับไปไหนคนขับบางคนก็ขับไปชนขับไปตกเหวขับไปตายกันก็มีบางคนก็ขับไปถึงจุดหมายปลายทางที่อยากจะไปกันอยู่ที่คนขับพวกเราเป็นคนขับ ตอนนี้สิ่งที่เรามีหรือไม่มีก็อยู่สมส่วนมีน้ำมันเติมหรือเปล่ามีแผนที่หรือเปล่าแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรที่จะขับมันหรือเปล่าวิธีที่เราจะทำให้เรามีน้ำมันมีความขยันหมั่นเพียรมีแผนที่ก็คือเราต้องเข้าหาคนที่มี เข้าหาคนที่มีแผนที่มีน้ำมันมีความเพียรเข้าไปถามเขาว่าวิธีที่จะได้น้ำมันมาเติมนี้ทำอย่างไรวิธีที่จะหาแผนที่มาดูนี้เป็นอย่างไรแล้ววิธีที่จะทำให้ขยันไม่เกียจคร้านนี้ทําอย่างไรนี่แหละสาเหตุที่พวกเรา ไปยังไม่ถึงไหนก็เพราะว่าเรายังไม่มีน้ำมันไม่มีแผนที่ไม่มีความเพียรเราจึงต้องข้าหาผู้ที่มีน้ำมันมีแผนที่มีความเพียรก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละผู้ที่มีปัญญามีน้ำมัน ผู้ที่มีความเพียรผู้ที่มีแผนที่วิธีเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเข้าด้วยการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหนท่านทําอะไรจึงทําให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านทําอะไร จึงทำให้ท่านไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนาที่จะไปกันเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพรพประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าเพราะจะทำให้เราเกิดกำลังใจเกิดความเกิดน้ำมันขึ้นมาวิธีเติมน้ำมันก็คือให้ละลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่เรื่อยๆเมื่อเราละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเกิดกำลังใจเราก็จะได้น้ำมันมาเติมให้กับใจจะทำให้เราเกิดฉันทะเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเมื่อเราเกิดความยินดี เราก็จะเกิดความขยันที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนแผนที่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปเราต้องดูทางก่อนดูแผนที่ก่อนพอเรารู้แล้วว่าทางที่เราจะต้องไปนั้นเริ่มต้นจากตรงไหนไปถึงตรงไหนไปอย่างไรไปเส้นไหน เราก็ขับไปออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นทำเราออกเดินทางไปถ้าเราไม่หยุดแะถ้าหยุดก็เป็นการหยุดพักเติมน้ํามันเติมอาหารพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแต่เราจะไม่หยุดไปทําภารกิจอย่างอื่นเราจะไม่ขับรถของเราไปนอกนอกลูก่นอกทานเราจะขับใจของเรา ที่เป็นเหมือนรถยนต์นี้ให้วิ่งอยู่ในทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรากระทำกันเช่นเราจะทาทานเราจะรักษาศีลเราจะฟังเทศฟังธรรมเราจะปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่ในร่องในรอยของทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราออกนอกลูกน่นอกทาง เช่นไปหาเงินหาทองมากเกินความจำเป็นถ้าหาพอที่จะมาเติมน้ํามันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหามากไปกว่า น, นั้นหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆซื้อความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้เรียกว่าหลงทางไม่ได้ดูแผนที่ ต้องกลับมาดูแผนที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ไปหาความสุขเหล่านี้หรือไม่อย่างวันพระนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้หาความสุขแบบไหนท่านหายหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและการที่จะหาความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายได้เราก็ต้องปิดตาหูจมูกลิ้นกาย เราต้องไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครการร่วมหลับนอนนี่ ก, ก็เป็นการหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองตาต้องเห็นรูปสวยๆต้องดมกลิ่นที่หอต้องสัมผัสกับสิ่งที่นุ่ม อ, อย่างนี้นี่ก็คือการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผัสสะ วันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดหนึ่งวันไปหลงทางมานานแล้วควรจะกลับเข้าสู่ทางที่ควรจะไปกันอย่าไปทางตาหูจมูกิ้นกายให้มาทางภาวนามาทางรักษาศีลวันนี้เราจะรักษาศีลแปดกันสักหนึ่งวันยุติการทะเลถลายออกนอกลูก่นอกทางสักหนึ่งวัน ให้กลับเข้ามาสู่ทางที่จะพาให้เราได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายต้องมาทางนี้มาทางศีลแปดต้องรักษาศีลแปดให้ได้ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว คือต้องการรับประทานอาหารพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ต้องการจะหาความสุขจากการรับประทานอาหารจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบละเว้นจากการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแหล่งบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการดูจากการฟังจากการดื่มจากการรับประทานไม่หาความสุขจากการ เสริมสวยเสริมความงามด้วยเสื้อผ้าอาพรที่วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำมางด้วยน้ำมันน้ำหอมต่างๆวันนี้จะไม่หาความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่หาความสุขจากการนอนหลับมากจนเกินไปนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอวิธีที่จะพักนอนเพื่อร่างกายก็ต้องนอนบน บนวบนพื้นแข็งอย่าไปนอนบนพื้นนุ่มอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนฟูกหนาๆจะนอนมากหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกถ้านอนบนที่นอนนิ่มๆนุ่มๆก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงแทนที่จะลุกขึ้นมา นั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะไม่ได้ทําจะกลับไปนอนต่อถ้าไม่อยากจะกลับไปนอนต่อต้องนอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้ปู ด, ด้วยผ้าหรือปู ด, ด้วยเสือ่อถ้านอนแบบนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนอยากจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้ มาสร้างความสุขทางใจมาทําใจให้สงบด้วยการกําหนดพุทธโธพุทธโธไปภายในใจก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้เราต้องฝึกพุทธโธไว้ก่อนเช่นเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเรายังไม่ได้ทําอะไรเราพยายามพุทธโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็พุทธโธไปเรื่อยๆ พอเราถึงเวลาจะมานั่งสมาธิถ้าเรามีพุโทโธใจของเราก็จะสงบแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราไม่อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่งไปก็จะไม่เกิดผลจะไม่เกิดความสงบจะไม่เกิดความสุขใจดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้ได้ผล เราต้องสร้างพุทธโธขึ้นมาก่อนต้องหัดละลิกพุทธโธอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะทำภารกิจการงานอันใดก็ให้พุทธโธพุทธโธไปหรือเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้ถ้าไม่ชอบพุทธโธจะใช้ธรรมโงก็ได้จะใช้สังโฆก็ได้จะใช้บทพระพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณก็ได้ถ้าบทพระพุทธคุณก็ ท่องไปอิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสามพุโทโธถ้าบทธรรมโม บ, บทธรรมคุณก็ท่องสวากขาโตวสวากขาโตภะวาตาธรรมโมไปถ้าบทพระสังฆคุณก็ท่องสุปฏิปันโนไปขอให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไหลไปตามกระแส ของความคิดของความอยากต่างๆถ้าเรารักษาใจให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับธรรมโมหรืออยู่กับสังโฆได้เวลาเรานั่งสมาธิใจของเราก็จะไม่ไปไหนใจก็จะเข้าสู่ความสงมบนี่เป็นการหาความสุขที่ดีกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อันหนึ่งไม่ต้องเสียเงินเสียทองเมื่อไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมานี่แหละคือความวิเศษของความสุขของพระพุทธเจ้าเพียงแต่นั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใจอยู่กับพุทโธภายในสิบนาทีสิบ้านาทีก็จะสงบได้ สงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเหนือกว่าความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกเิ่นกายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการที่ต้องรักษาสิ้นแปดเลยเพราะได้ความสุขที่วิเศษกว่าการไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นวิเศษกว่าการไปรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเตวิเศษกว่าไป เที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆวิเศษกว่าการได้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยใบหน่องใบหน้าให้ดูหน้าดูหน้าชมวิเศษกว่าการนอนหลับบนฟูกหนาๆผู้ที่ได้พบกับความสงบนี้แล้วจะไม่เดือดร้อนกับการรักษาศีลแปดเลยรู้สึกว่าเป็นของง่ายมาก เพราะใจไม่มีความปรารถนาความสุขแบบนี้อีกแล้วไม่มีความปรารถนาที่จะเสพการามกับใครไม่มีความปรารถนาที่จะรับประธานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่มีความปรารถนาที่จะออกไปตามแห่งบันเทิงต่างๆไปลงมอหรสุหรือไปงานเลี้ยงต่างๆใครจะมีเลี้ยงวันเกิดก็ไม่อยากไป การจะเลี้ยงฉลองขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงฉลองงานแต่งงานก็ไม่อยากไปเพียงถ้าต้องเป็นก็ใส่เอาเงินใส่ซองแล้วก็ฝากเข้าไปหรือว่าไปก็เอาไปให้เขาแล้วก็กลับเพราะสู้กลับมาหาความสุขทางใจไม่ได้กลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบนี่แหละคือภารกิจทางใจ เป้าหมายก็คือความสงบสุขนี่เองความสงบนี่แหละที่เป็นสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆนี้เกิดจากความสงบชั้นต่างๆความสงบชั้นทานชั้นศีลก็เป็นสวรรค์ชั้นเทพความสงบชั้นสมาธิก็เป็นสวรรค์ชั้นพรหมความสงบด้วยปัญญาก็จะเป็นชั้น อริยจะจาไปถึงพระนิพพานนี่เป็นความสงบชั้นต่างๆที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เองความจริงแล้วสวรรค์ไม่ใช่เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่สวรรค์นี่เป็นความสงบสุขของใจใจนี่เป็นเหมือนกับโลกเนื้อใบหนึ่งเป็นโลกที่ โลกทิพนี้มีสวรรค์หลายชั้นและมีอบายหลายชั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปกันถ้าทำบุญก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทำบาปก็จะได้อบายชั้นต่างๆอบายก็อยู่ในใจนี่แหละนอกจากเวลาที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเท่านั้น ที่จะมีร่างกายหยาบนอกจากนั้นแล้วก็จะไม่ต้องมีร่างกายถ้าเป็นเทวดาก็มีร่างทิพย์กายทิพย์ถ้าเป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกก็เป็นร่างทิพย์ก like ายทิพย์เหมือนกันต่างตรงที่เป็นร่างทิพย์กายายทิพย์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นร่างทิพย์ของเทวดา ถ้าเป็นความทุกข์ก็เป็นรางทิพย์ของเปรตของอสุรกายของนรกนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เป็นเหตุเป็นผลถ้าทำบุญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทำก็จะได้สวรรค์ชั้นต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ขยับขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหม เวลานั่งสมาธิได้นี้ก็ได้สวรรค์ชั้นพรมแล้วถ้าได้อยากจะได้สวรรค์แบบไม่เสื่อมก็ต้องใช้ปัญญาสวรรค์ชั้นพรมนี้ไม่ถ้าไม่มีปัญญาจะเสื่อมลงมาจะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็จะกลับลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับลงมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ก็ต้องใช้ปัญญาต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือปัญญาปัญญาทาหน้าที่อะไรปัญญาก็ทำหน้าที่รักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้เองถ้าเราไม่มีปัญญารักษาเดี๋ยวจะมีผู้เข้ามาทำลายผู้ที่เข้ามาทาลาย ความสงบสวรรค์ชั้นพรมนี้คือไข่ก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่รักษาด้วยสติหรือไม่ป้องกันด้วยปัญญาสวรรค์ชั้นพรมก็จะถูกทำลายไปเวลาเกิดความหิวโลภอยากจะดื่มกาแฟอยากจะกินขนมขึ้นมา อันนี้ก็จะกลับมาหาความสุขแบบหยาบๆความสุขทางร่างกายเมื่อมาเสพความสุขแบบหยาบทางร่างกายมันก็จะไปทำลายความสุขแบบละเอียดทางจิตใจถ้าอยากจะรักษาความสุขแบบละเอียดของจิตใจก็ต้องใช้ปัญญากาจัดมันวิธีกาจัดก็คือให้เห็นโทษของการเสพ ความสุขแบบหยาบๆแบบนี้เสพแล้วก็จะเกิดความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขแบบนี้ไม่ได้ทำให้อิ่มไม่ได้ทำให้พอแต่อยากจะทำให้เสพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนยาเสพติดคนที่เสพยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพยาเสพติดใครจะสบายกว่ากันใครจะมีความทุกข์มากกว่ากัน คนที่ไม่ได้เสพยาเสพติดจะไม่ทุกข์เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนี้รู้สึกเป็นอย่างไรนี่คือการใช้ปัญญาให้มองให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆว่าไม่ได้พาไปสู่ความสุขที่แท้จริงพาไปสู่ความสุขปลอมความสุขชั่วคราว แล้วก็พาไปสู่ความทุกข์ที่ถาวรที่แทนจน้จริงถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากเราก็จะกลับไปสู่ความสงบสุขของจิตใจที่เป็นความสุขที่ละเอียดได้น่าจะอยู่กับความสุขแบบนั้นไปได้อย่างถาวรความสุข ของใจที่อยู่อย่างถาวรนี้พระพุทธเจ้าเรียกชื่อว่านิพพานปรมังสุขขังผู้ที่สามารถทําลายกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจได้แล้วจะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบสุขของใจได้เลยใจจะสงบจะมีความสุขไปอย่างถาวร แล้วใจที่ไม่ตายก็จะอยู่อย่างถาวรแต่ไม่ได้อยู่แบบเหมือนที่เรามีร่างกายอยู่กันร่างกายนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวใจไม่ต้องใช้ร่างกายก็อยู่ได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ใจต้องมาใช้ร่างกายก็เพราะว่าใจยังหลงหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้งกายอยู่นี่ แต่พอได้ทำบุญตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนได้ทำทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาก็จะหายหลงก็จะไม่มีความอยากที่จะได้ร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปพอไม่มีความอยากจะได้ร่างกายก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ พอไม่ได้กลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องไปซื้อประกันชีวิตไม่ต้องไปซื้อประกันภัยไม่ต้องมีคนขายมาขายประกรันต่างคนต่างอยู่อย่างตลอดถาวรนี่แหละประกันชีวิตที่แท้จริงก็คือทำมังสารนังกตถาณีนี่เองไม่เสียเงินเสียทองด้วยไม่เหมือนกับประกันชีวิตที่ต้องเสียเงินเสียทอง เสียแล้วก็ประกันไม่ได้แต่ประกันชีวิตแบบที่ไม่เสียเงินเสียทางนี้กับไม่เอากันไม่เอาทำมังสารนังกระชามิกันไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาสี่งแปลกไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมกันอยากจะเอาของง่ายๆของง่ายๆในโลกนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นของจริงต้องยากหน่อย ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนั่นแหละคือของจริงพระพุทธเจ้าได้ทำมังสารนางกัจฉามิได้ซื้อประกันชีวิตที่แท้จริงเพราะไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บ ม, มาตายอีกต่อไปนั่นเองจึงขอให้พวกเราจงใช้ปัญญากันคิดกันฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดความฉลาดขึ้นมาจะเห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่ว เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นคุณเห็นโทษแล้วก็จะได้เดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรเพื่อจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนปรารถนากันก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์และการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา